นะได้ตอนนี้ท่านวุอ่านก็ยัง แต่จริงๆแล้วต้องชื่อปิยะยาวีเรื่องรวมความว่าเรื่องเทวดาหรือเรื่องผีก็เป็นเรื่องนิทานเรื่อง Kalle en ring, en ik ทาง 2 เมื่อคุยกับทาง 2 ท่านเห็นว่าเวลาพอสมควรคือหลายจะคุณป้า เป็นชื่อที่สมมุติขึ้นมาทั้งหมดสมมุติหมดเป็นนิทานหมดเมื่อลาท่านทั้งสองมาแล้วต่างคนก็เดินอย่างไคล่พิจารณาคือว่าไม่รีบเดินเพราะว่าตุไล ก็ถามคุณป้าน้อยว่านั่นเป็นกำแพงเขตคือหอพักใช่ไหมคุณป้าก็บอกว่าใช่เพชก็มองไปนิดนึงก็ไปเจอนั่นซ้ายมือเหมือน <c oughs> Je wacht wel, hij mij kwijt, hij gaat, hij gaat, hij gaat, hij เพียงแค่จับเอาไปทิ้งหลังบ้าน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 หนูจะมาอยู่ได้บ้างไหมคุณป้าน้อย <c oughs> แต่ก็ถามว่าโรง อาคันนี้อาคันวัดสร้างจึงตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนราชขึ้นมาเธอก็ถามว่าโรงเรียนนี้ 4 ปี มัธยมปีที่ 1 ถึงมัธยม 3 นี่ก็ 4 กับ 6 นี่ก็สอน 6 ปีเพื่อนน้อยก็บอกว่าหลักสูตรพิเศษของ อาจารย์น้อยก็ตอบว่า 80 บาทคิดข้าวสาร 1ๆประมาณถังละ dat de wa, nakkep naklien matang de ton, poko katun, bij jetsip bad. Dat tanga jamb ben donkwe, vandaag renti nee, doos on my, ton jai. Ben naklien ti daai, maja Maar jajon ton Die nee, on ma, Dat lang แล้วค่าเดินประจําก็เสียค่าอาหารแลแลแลแล 600 บาทกลวงๆประมาณประมาณ 20 บาท เป็นนวะค่าน้ําประปา 1 บาทแล้วเป 1 บาทต่อ 1 วันนะ 1 บาทอย่างนี้เป็นต้น 16 บาท maar nu ik er met mij sabbat. als ik het ken, je ziet dat, dat je niet ziet, dat je niet ziet, dat je niet ziet, dat je niet ziet, dat je niet ziet, dat je niet ziet, Als je niet ziet, dat je niet ziet, dat je niet ziet, dat je niet ziet, dat je ไป 2 บาทมา 2 บาทไอ้หนูไปเสียไป 4 บาทแล้วก็ค่าขนมก็ต้องอีกสรุปแล้วคุณแม่ให้หนูไปวันละ 20 บาทเพราะของทุกอย่างมันก็แพงหมดนี่ความจริงเป็นตัวหนูก็มีไปแล้วก็ค่ารถค่าเรือด้วยค่ากินด้วยคุณ 20 บาทแต่ความจริงที่นี่เค้าอยู่ แล้วก็ค่าหอพักตรงคุณๆ แต่ว่า 500 บาทแล้วก็เสียแค่ปีเดียวทั้งนี้เพื่อทางโรงเรียนได้ดูความประพฤตินักเรียนมีความประพฤติดีคนจะอยู่ต่อไปมั้ยถ้ามีความประพฤติไม่ดีไปเป็นที่ไม่ต้องไม่ไม่ 2 ไป ค่าปีต้นที่ต้อง 20 กับ 50, 50, 50 กับ 70 บาทหลวง 70 บาท 50 เดือนก็ 700 บาทเข้า ต้องเข้าอุ้มนักเรียนทั้งหมดนี่เป็นนักเรียนหอพักที่เราเสียถ้าเป็น 2 ได้ 2 ชุดในการที่ 3 หนังสือและอุปกรณ์การศึกษาไม่ต้องเสียในการที่ 4 แต่ว่าปีแรกเสีย 500 จะรับนักเรียนได้ปีละประมาณรับนักเรียนได้ไม่เกินปีละ 100 คนต้องสอบคัดเลือกกันเมื่อสอบคัดเลือกอย่างอื่นได้แล้วก็ต้องซักซ้อมกันเรื่องความประพฤติคือคุณธรรม 1 สังคหวัตถุ 4 ต้องรู้จักการช่วยเหลืออันสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ต้องแล้วก็ต้องไม่ถือตัวไม่เท็จตนนี่เป็นเป็นหมวดที่ 1 หมวดที่ 2 คือโปรวิหาร 4 รู้จักเมตตาความ แล้วก็ต่อไปทุกคนต้องปฏิบัติในกรรมบท 10 กศีล 5 กรรมบท 10 ร่วมกันคือทางกาย 1 ไม่ฆ่าสัตว์ 2 ไม่ลักทรัพย์ 3 ไม่ผิดผิดในกามและ 4 ไม่ดื่มสุราหรือเมรัยทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดคําหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลทางด้านจิตใจไม่ดักไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยเจ้าของเขาไม่ จองล้างจองผลันใครไม่พยาบาทใครแล้วก็มีความเห็นถูกเชื่อคําสอนพระเจ้าแล้วปฏิบัติ มีหลวงปู่เป็นประธานเป็นผู้สอนจุลัยก็บอกว่าคุณป้าเกี่ยวคะถ้าที่พูดมานี่อย่างย่อนะมาพูดมาอย่างย่อหนูก็พอใจต้องไปบอกคุณแม่ว่าท่านหนูจบ ป. ป, าน, ป, คะ, จ, ป4 ปีนี้สอบ ป. ป4 จบจะให้คุณแม่ส่งมาเรียน จุลัยก็บอกว่าอย่าง 4 ปีได้ ม.6 ในเวลาการ 2 คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องแต่เสียดายอย่างเดียวว่าหลวงปู่รับนักเรียนไม่เกินปีละ 100 คนอยากจะให้ท่านรับมากกว่านั้นคุณ กับครูกับภาระต่างๆทั้งหมดอันนี้สมโพธิ์ต้องจ่ายคนช่วยกันสนเคราะห์มากบ้างน้อยบ้างตามกําลังศรัทธา ตุลัยฟังแล้วก็ยืนนิ่งป้าน้อยก็ถามว่าหลานรักยืนนิ่งเพราะอะไรตุลัยก็บอกว่าหนูจะ ผู้คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อัตตาหิโสทันเตนะ 1 สังฆวัตถุ 4 2 บริหาร 4 3 ศีล 5 และ 4 กรรมสิทธิ์ 6 ik er een waard, haat, amjang, nee, no, dain nee. Tildaig, dat, daar gaat nee, we doen Een paar, nou, wat geldt, we wat kan ons sauken? Kondi, khawkana, sauken, kan, khawkat. Kondi, we komen, we gaan, we ก็เป็น ให้สายสะอาดแล้วก็ปล่อยลงบ่อสําหรับนักเรียนไปไปอาบกันแต่ก็ถามว่าการสูบน้ําสูบทุกวันเลยคนป้าน้อยก็บอกการสูบน้ําสูบทุกวันทั้งนี้เพราะว่าหลวงพ่อต้องการให้น้ําสะอาดน้ําสกปรกไหลไปบ่อนี้ต้องมีน้ํา 10 ชั่วโมงคนไทยก็พอใจคิดว่าหายากจริงๆ ป้าน้อยก็บอกว่าหลานรักเดินต่อไป 15 ห้อง 15 ห้องนับ 30 ห้องแล้ว Hangna in het hong. Kenbon hock hong. Kenbon hock hong. hong. hong. Kalompen sipher hong. Kalompen sipher hong. hong. hong. hong. Kalompen sipher hong. Kalompen sipher hong. hong. Kalompen sipher hong. Kalompen sipher hong. Kalompen sipher hong. Kalompen hong. Kalompen sipher hong. Kalompen sipher hong. Kalompen sipher hong. Kalompen sipher hong. Kalompen sipher hong. อีกหน่อยนึงก็ไปเข้าเธอก็ถามว่าคุณป้าเจ้าคะเราจะไปทางไหนกันดีด้านหน้าเป็นวิหารด้านซ้ายมีพระเรียงเป็นแถวพระพุทธรูปด้านขวาเป็นทางไปไปทางไหนคุณป้าก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหลานลงข้าง <c oughs> รอเดินไปข้างล่างดูชั้นล่างก่อนพอลงไปข้างล่างทุกไรก็ 32 ห้องเฉพาะ 4 เมตรยาว 4 เมตรมีพัดลมมีไฟฟ้า 4 เมตรยาว เธอก็ถามคุณป้าว่าอันนี้อะไรเจ้าค่ะคุณป้าบอกนี่เป็นหอพักให้เรียน ท่านก็ได้กตัญญูจากพวกเราๆนี่แหละมาสร้างและก็ทํา คนพากก็บอกว่าหลวงปู่ท่านโล่งแล้วมีพัดลมเพดายกลาง เมื่อเห็นคันยาวแบบนี้เธอก็สงสัยถามว่านี่ห้องอะไรคุณป้าน้อยบอก 8 เมตร 140 เมตร ik ga ervoor dat ik een koos om raam Ik ga dat ik een koos om raam Ik ga dat ik een koos om raam Ik dat een Kümbandai Chansong. Kümbandai Chansong, de kunt kwanit, และนายก็บอกว่าที่นี่ไม่มีใครเสียค่าเช่าครูทุกคนมาอยู่ที่ ไอ้โรงเรียนแบบนี้เขาจะสร้างสกิลหลังในประเทศไทยคุณป้าก็ ขยับตัวมนิตมองไปทางหน้าต่างหิงข้างล่างไปบริเวณกว้างขวางจึงถามคุณป้าน้อยว่าคุณป้าเจ้าขา มีรั้วกำแพงล้อมรอบแต่ก็หนักใจบอกแม่ สักบวชถึงจะคุยกันว่าบางทีเค้า ต้องการให้เด็กทุกคนที่มาเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมฉะนั้นการตนสตางค์ในการเก็บค่าผ่าน <c oughs> อาจน้อยก็บอกว่า 32 ห้องแต่ความจริงห้องกว้างทั้งข้างล่างแต่นี้มีพัดลมเพดานถ้าด้านหน้าสําหรับโดย เธอเดินไปก็มองดูไปเห็นห้องพักนักเรียนนักเรียนบางบางบาง ถ้าหนูมีการฝึกฝนตนดีหนูมีการฝึกฝนตนดีงั้นไหม คุณว่าทุก มองดูเวลาพระธรรมบอกว่าคุณป้าและคุณหลานเวลานี้นัก